วันนี้ผมไม่พูดยากเดี๋ยวดังโลนเตาทุ่มเครื่องเราจะสวดกันเรียกวสวดศพซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใครเข้าใจความาหมายว่าสวดศพอธิบายให้ฟังทำไมต้องสวดศพ ส, สวดให้จบเป็นอะไร สวดใ้ศบมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงสิงศบก็ไ <bitter> ม่ดือ <tenho> ด้อนอะรนะเดวคนตายไม่นดือดอนคนเป็นนี่แหละไหเ๋ยวเจ้าเจจ้าจีจาอันนี้เรามาติดทวนดีทางโน้นก็สามศพติดกันเลนะติดติดติดกันเลยนี่สาม นาวัดอีกสองนาจะสามเหมือนกันข่าววิชิตพระเรืวนักบวชเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้คนแตบเป็ยังไงตั้งแต่เกิดจนตายต้องจะเกิดยังไงก็คือเกิดอันนี้เป็นความเชื่อ ก่อนที่จะเกิดอ่ก่อนที่แต่งงานไปของพระเลิศขานาทีวันไหนดีวันไห น, นเสียมีกบรามตักเปิงพระตลดวันวันแต่งวันอยู่ด้วยกันแต่งเสร็จแล้วก็นในบนพระให้กติให้โอาวาทในหลักธรรม ก็เป็นก็คิดชื่อกูจากนั้นก็เริเ่มมีาทาติทพระก็ไปเจอกล้องอีกนะหลวงพ่อตั้งชื่อให้หน่อยธนาคารพุทธศุขผู้หญิงผู้ชายงงาก็เป็นเจรอมอกรหลวงพระก็ไปเจอต้องตั้งชื่อแต่พระกลางเกี่ยวก้องเยอะมาก จุกไว้จุกสารพัดท้งภาคอื่นไม่เท่าไหร่เกิขึ้นมีการมีงานขึ้นบันใหม่เอาอเดี่ยวกบพรอนะอีกแล้วพระก็ต้องไปสวนจะเริ่มปลูกบ้านสร้างบ้านเป็นบ้านขึ้นบันใหม่เอาพระอีกแล้วีความเกีต้องกับพระ จนตายตายยังไม่พอนะไปเผาหรือจะกระดูกพ้าไปย่างตามไปอา น, นิเจวัตสังฆาบทเทวดาทำาธิกินอย่างนี้ตลอดบทเดียวหากินตั้งแต่เกิดจนตายตกระดูกไปร้อยองค์นะเอาพ้าต้องนํามาเกี่ยวขฟองกับพระแล้วตลอด เรื่อในหน้านะที่เรามีชีวิตอยู่ เ, เนี่ยเราจะเกี่ยวข้องในเรื่องไห น, นมาถึงทกิ จ, จการชดชอบเราไม่งนันพระทางก็จะอยู่กันอย่างเนี้ยและที่สำคัญคือพระเห็นตั้งแต่เกิดจนตายแต่พอเห็นแล้วได้ปัญญาไหมถ้เาเห็นแล้ไม่ได้ปัญญามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับรประเด็นค่าครูค่าคราค่าสตังค่าสวด ได้มากก็ดีได้น้อยก็หน้าแห้ใส่ยี่สิบบาทแบบนี้สามบาทก็เป็นเงินกายเป็นอย่างนาินงไปก็เลยว่าไม่รู้วัตถุประสงค์ในส่วดเพื่ออะไรแต่ส่วนคนตายสวดคนเป็นกับปุย ก, กันไประกสวดไปเทศไปรวมทั้งหมดหนึ่งที่เรียกว่าเอาวิชาที่ความไม่รู้ ความงัวขาบ อ, าอาปัญญามโหหะปิดบังครอบงำทั้งๆที่เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะเกิดสติปัญญาเห็นแล้วโอ้มันเห็นตั้งแต่เกิดจนตายครับที่เกี่ยวข้องกันแต่มันก็ไม่ได้อะไรม่ีอะไรดีขึ้นในตอหนหลเรายกโครงร่าง กระดูกมันตั้งตงหง้าของวเราเราก็ยังลึกไม่ออกเรือไรถ้าแต่บริไงตั้งแต่เกิดจนตายแต่เหลือแต่โครงกระดูกเราถามว่าเราจะคิดยังไงกับเรื่องเราีรูปร่างกายรวมๆแล้วก็กคือธาตุขันขยันตนาที่มาเกี่ยวข้องกับรูปกับนาม ตั้งแต่ต้นจุดถึงที่เกิดจนตายเด็กแตกคนชราจนตายสิ่งที่เกี่ของกันธาตุธาตุคือะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราเข้าใจก่อนเป็นธชาติของเขาเราก็จะเข้าใจตัวตนของเร า, าการปฏิบัติธรรมทนให้เราเห็นสิ่ ง, งนี้อันนี้คือธาตุนะขันไม่ได้ไปกองของ รูปประการกั น, ก น, นามอาการเป็นยอ่อๆรูปประการับ น, น, นามอาการนี่คือมันมีรูปกับนามที่ต้อเรียนรู้ต้องเข้าใจในการปฏิบัติพระเราอย่าไม่เข้าใจสิมองไม่เง็นสิการปฏิบัติมันก็ไม่ได้แรงมนันเพราะว่าเราไม่ตัวเองแต่พู็นยังไงพราะการปฏิบัติก็ต้องการเราเห็นตัวเองก็จะัวเองไม่ขัน ขาดการอายตนะอายตนะคือกเชื่อมีการเชื่อมต่อคือสะพานถ้าไม่มีอายตนะวิญญาณมันก็ไม่เกิดความรับรู้มันก็ไม่เกิดเพราะนั้นี่หลักปฏิจจสมบูรณ์การปฏิจจสมบูรณ์ก็บปกว่าอาศัยซึ่งกันและกันในความหมายอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น เป็นกระบวนการการเกิดการดับของชีวิตของพวกเรานี่แหละที่เราวิจารณ์สิ่งต่างๆเาประดมตัวกัอวิชาอาวิชาปัญญาสังขารเอวิชามความไม่รู้มันก็ปรุงก็คือสังขารสังขารไม่เพียงร่างกายแต่ว่าจิตมันปรุงมันแต่งสังขารอะไรปัญญาอะไรนะ เมื่เกิดพวงแตงคือเกิดปดิญญาณคืออายตนะนี่แหละคือช่วงเกิดตายรูปเกิดวิญญาณคือรู้ขึ้นมาโยาจักโขวิญญาณจักโขสุตตะคานะเชี่ยวหากายมโนกะโรกวิญญาณจนสุดท้ายปลายทางคือพบชาติชารามราณะชารามาราณะคือตายเป็นที่สุดแต่เป็นพบเป็นชาติ เพราะก่อนที่เป็นชาติคเคยเกิดอยู่ในภพวนอยู่ในภพมันกิด อ, อวิชชามันยังมีภพอยู่แล้วกมีอวิชชามันไม่รู้สุดท้ายภพชาติก็คือวนไปเวียนมาอย่างนี้มันคือใครมันคิดจิตจิตไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเหลนี้มันจึงเป็นกับอวิชชาคือความไม่รู้ ถ้ามันมันมันรู้แล้วมันแจ้งแล้วเรากไม่สงสัยในสิ่งเหลนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรีนรู้คือต้องเข้าใจสารคำพิการคำอัจฉริยนะเป็นมาใช้ได้กับคนคนเป็นควาเหลือได้โครงกระดูกอัจฉริะไม่ต้องมาพูดถึงรูปน้ํารูปก็เหลือแต่ดินน้ำไฟลมมันไื่มีละดได้โครงกระดูก จิตเรายังไม่ไปถึงขน้นลังถึงพลาเราไม่เห็นแต่ความจัดยาบง่ายเบื้องต้นคือรูปร่างกายพูดง่ายตั้งแต่เราผู้หญิงผู้ชายส่วนเพศ ก, ก็ว่าไปตามเพศสภาพแต่แท้แทคือรูปร่างกายเราจะไม่เห็นว่าอันนี้เป็นดินอันนี้เป็นน้ําันนี้เป็นไฟนี้เป็ น, นเหล็กความสัมัน์ของเขารวมตัวกันเว่ออากายเรือโลถ้ามี ดีนน้ำไฟลมเนี่ยไม่มีวิญญาณปีจิตืิจิตตะวิญญาณมาครองมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีวิญญาณครองแต่สติปัญญาไม่มีพัฒนาไม่ได้ที่เราเรียก ว, ว่าสิงสารสัตว์มันจะเป็นสัตวางมีกันแต่พัฒนาไม่ได้เหมือนธรรมจีมเข้าใจได้เป็นเหมือนกันเห็นเป็นรูปเห็นเป็นอายตนะก็เชื่อเหมือนกันตาแค่เห็นรูปเหมือนกัน เราเห็นแล้วคิดไปอีกแบบนี้งซึ่งเหมือนกับสัมชร์ของพวกเราเห็นอยู่ที่ว่าการเห็นแล้วฉลาดหรือความฉลาดเกิดปัญญาไหมก็อยู่ที่การปฏิบัติของพู้เราว่าความเข้มคนของสติปัญญาความเสงสว่างของจิตใจมันอยู่ในระดับไหน ถ้ายังมองไม่เห็นจริในตัวตนทองเลยนักเกิดสติปัญญาไม่เกิดเลอต่อให้สวดเป็นร้อยวันร้อยปีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรปุชราธรมาปุชสาธรรมาอิากรรมานอ้าวันทั้งปีนงงม่้ประโยอะไร ท, ท, ทั้งคนสวดแลวคนเป็นคน ไ, ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรราะนั้นต้องการให้ดูว่ามันไม่ยังมีชีวิต อ, อยู่สนใจโกชราธรมานะใจมันก็เป็นกุศล น, นะ อ่ะปริศาธรรมาพระชาต้องลดลาเลยอระชาชนธรรมมาประชาชนใจต้องเป็นกลางต้จะเข้าใจในสิ่งหล่า น, นี้ตอนี้ความเพียรของเราที่ตามมาความเพียรมาตอนนี้ยังไงเรารู้ว่าทำอย่างไรมันดีคือความเชื่อคือศรัทธาอยู่แล้วแต่ความเพียร น, นี่มีหรือมีแต่มันน้อย น้อยพอไม่ต่อเ น, นื่องมีความสําคัญความสัตย์ติมันมันีมันไม่ต่อเ น, นื่องมันก็ไม่ปฏิปทามันก็กระคาท้าย ห, หายเหมือนคลื่นมันรู้ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องมันแต่ถ้าขึ้นดีสัญญาณ ต, นนต่อเนื่องมาตลอดการปฏิบัติต้องเราว่าชื่นเดอกันเราพิจารณาเราเห็นกระบวนการต้องเติ้ตหนึ่จนจบต่อรู้อะไรผิดพลาดไม่ถือขันที่เคยยัตนะ ไปยังคณะนี้ถ้ามันไม่มีท่านนี้มันก็ไม่มีมันรู้จะไปเชื่อมกับอะไรเพราะว่าหลังจากทํานมันก็จะแคะนามคือเวทนาที่จะแลกการยืนยันชี้ตัวมันทําอะไรไม่ได้มันก็ไปพบมีเรื่องจริงๆเรานี้มันเกิดขึ้นกับเราทุกวันไม่มีวันไหนไม่เกิดแต่ประเด็นคือเราบอกไม่เห็นในสิ่งนี้เียกว่ามันมีมันเป็นอยู่ในตัวตอนของเราเขา คือสารประเสิ์ทั้งหลายเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือคาว่าอาวิชาอาวิชามันอยนอย่างนี้มันไม่พัฒนาไปต่อสังสาริญยานอื่นอื่นก็ไม่ตามมาเลอดไม่แต่ไหนมากไนหะสุดท้ายมันก็ติดแกร่รูปรูปรูปรูปขันเนี่ยรูปก็คือธาต หัดดือดน้ำไปลมที่เราเรียกว่าโลกพวนเราจะมองว่าสวยไม่สวยอสุภาพดีเพื่อไหมมันอยู่ในพอใจในพอใจถ้ามันเราลอกออกทั้งหมดปอกเปลือกออกทั้งหมดเกอะดูกกระดูกละนั่นแหละความละทอนปล่อยวางมันเกิดขึ้นความยึดมั่นถึงมันอุปทานมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่สามารถเรียนละทอนอุปทานตัวนี้ได้ คือเมื่อรู้จักเขาโอกรทานจนยิ่มันมันจากแต่ง้ันนี้แล้วคือหมายปลายทางคือมีอปัญหาเบอร์ค่ะเขาก็ไม่รู้จักอผมก็ อ, อ, อ, อธิบายหลายรอบหลายครั้งพูดในหอนแล้วว่าธรรมชาติของคนเราชีวิตผมดูสังหลายในชีวิตจิตกรรมธรรมะสำคัญมากๆมีชีวิตเร า, รรรรารปเป็นคนปฏิสนธิ สู่ร่างกายมีชีวิตเรียวชีวิตจีิตะมีชีวิตชีวะกระมีชีวิตชีวิตจิตจิตเข้ามาอยู่ปฏิเสธให้จิตมาจิตต้องจิตกรรมพะโตออกมาจิตผู้เป็นางครบเก้าเดือนอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่บางคนก็จ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนอฏิเสธว่โดยทำชาละมันเก้าเดือนในคันของเบอร์ดา ก็ออกมาเป็นเพศเป็นสภาพเริ่มต้นเปรัวชาติ เ, เกิดที่ก่อนหนะ้านั้นก็พบมาจากการมาพบรูปพบอารมูปพบตอนที่เป็นชาติแล้วพอมาเป็นชาติประชาชนก็จะตามกันมาชาติชราเปรตที่มรณนะเปรตที่สุดถ้ายังเป็นอาวิชายังไม่รู้วงจรหลั มราระสร็จจากการปฏิบัติการมาพูรู้เพราะรูร้อยู่อย่างนี้วนไปวนมาอยู่อย่างนี้เดี๋ยนี้ชีวิตต้องเป็นอย่างชีวิตจิตกรรมนี่มีจิตมีกรรมกรรมนี่กิจากความคิดของเรานี่แหละกรรมที่เกิดจากคาพูดคืออาจารกรรมที่เกิดจกากการกระทําที่เราสั่งการ น, นี่คือตัวกรรมจริงๆส่วนทานไปแล้วผลของมัน เป็นอย่างไรนั่นคือผลของกรรมที่อาจะไปแก้ถ้าวัานนี้ไปแก้ผลของกรรมสำนักต่างหายแหล่ที่ตั้งขึ้นมาสารพัดแก้กรรมแก้เวรแต่เรากอะไรถ้ามันแก้ได้เลยเไปแก้มา่วานได้เลยมีใครทําได้อาถามว่าคุณเจ้าสอนไหมพุทธทางสำนักไหนว่าหรือบูชาเป็นหลักไหนคำมังสนังกจะไม่ธรรมะข้อไหนที่ขเขไปแก้ตรงนี้ แก้อดีตนี่ยแกการทําแก้ผลสองกรรมมันมีไหมก็ไปแก้เมื่อวานนี่มีตอนกลางตารางกระจายพระสงพ่อแม่ครู อ, อาจารย์ยันยังบอกบอกพูดคำมาอย่างนี้ไปอย่างนี้สอนต่างๆเนี้ยเราก็ไม่ฟังยินดีที่จะจ่ายเพื่อความสุขนี้หน่อยๆเพื่อทำสบายใจว่าแก่กรรมแล้ว มันกลายเป็นอย่างนั้นไปคนทิธีธรรมก็ได้จะตรง ส, ต, ส ต, ตังตตตจะตกปัจเจกลายเป็นโมหาทั้งคู่อวิชชาทั้งคู่คำพูดงานคือโง่ทั้งคู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนไม่ได้สอนให้ฉลาดไม่ได้สอนให้เดินด้วยตนเองและกุศลธรมรมะกุศลธรมรมจะมีประโยชน์อะไรเหมือนกับพวกไอ้คนตายฟังเหมือนก็บแพทย์สอนให้คนตายฟัง ปัตายก็ไม่ได้อะไรป้อนไม่เกิเปิดยอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจหลักการอย่างเนี้ยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเพึ่งพาสายก็ไม่รู้คิดเอาเองว่าเอาตัวเองเป็นเกตเป็นหลักเป็นศูนย์กลางเราไม่เอาบุณียาประทานเป็นต้นหลักงั้นกานปฏิบัติธรรมก็ต้องกาเข้าใจอย่างนี้เข้าใจตัวตนในแท้จริ ง, งมันจะได้แก้ แก้ความคิดแก้กับพูดแก้กันกระทำอันนี้คือแก่กรรกรรมกองอะไรกรรมขอื่นเนี่ยไม่ไดแก้ของอื่นเหมือนแก้ไม่ได้ของใครของมางของใครของท่านบางคนต่างไปแก้กันไม่ได้จะย้อนเวลาอย่างใดด่านหนึ่งแต่ว่าทําแล้วอาจจะสบายใจนื้อรับหนึ่งคือว่าเออทําแล้วแก้แล้วดีขึ้นแต่ผู้จ้างเราไม่ได้ ต้องหมยืนยันแทบจะแทบไมบบ่ได้สอนดังนันการที่เราปฏิบัติทุกวันคือกัรแก้ทีเดียคือแก้กับผู้สมแข่งการทางของเราปรัรงพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นเริ่มต้นจะรู้จักต่อธาตุคืออะไรถ้าตุจะแยกเป็นเชือ น, นั้นคือตัวเราสคำคัญจะมาเป็นกองก่อนแค่ห้ากองทำไมเราเรียนรู้ไม่ได้เลยวิชาอื่นๆเราเรียนรู้มาทั้งชีวิต ไม่รู้กีดวิชาไม่รู้ขีดเรียนมาสิบสี่ห้ี่จะเป็นประถมมัธยมกับอุดมศึกษาเรนจนจำไม่ได้เีหลายวิชาเยอะแยะมากมายอันนี้แค่ห้าเรื่องห้ากองกันเรายังไม่มีการเรียนรู้อยเอื่นรู้หมดแต่ห้าตัวเราไม่รู้สิ่งที่รู้หมด่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็มันใช้ได้เฉพาะการสมากิน ก็กลัไปชาชีพพูดง่ายๆก็หาเงินแต่พูดตรงๆคืออยู่แบบโลกคนโลกเขาอยู่กันอย่างนี้เรียนทํางา น, นเงินเพือแค่นี้สรุป ก, ก็คือปัจเจศีเพื่อส น, น อ, งองความต้องการถห้ไดา้มาซึ่งปัจเจศีจะสวดก็ได้วันไหนวันอ า, น า, าหารเวลาทานบาตรเวาสาโรคเป็นฝ่ายพระนีเสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่ต้องไปสร้ ปัจเจศมีภาพไมเหมือ น, นชาวบ้านเพราะฉานั้าภมันน่าจะแตกไปกว่าชาวบ้านเพราะมีความไม่ตกกลงคนไม่ต้องไปสมาหากินอื่นอื่มนมันน่าจะไปเร็วกว่าเพราะภาระธุระมันนี่จะคิดอีกหนึ่งผลงานคือไม่ได้แบกไม่ได้อาบอะไรเลยการเดินมาัาเจวขึ้นไหมที่ต้องการข้ามกว่าชาวบ้านเขาแบกทุกอย่าง ภาระภูระกการจองของ ห, าห้าที่การงานลูกเต่าเราล้านยาพินโน้อเป็นภาระต้องแบกภาระทางไหนภาร ะ, ะทางใจเขาเยอะเยอะกว่ามันมันไม่ง่ายส่วนท่าเราเนี่ยคือ น, นักบวชบวชงานออกไปว่านักบวชแล้วกันซึ่งเรานี้มันไม่รับไปแต่ภาระมันมีปะหากันอยู่แล้วมันจะไปไกลไม่ดีกว่าไหม มันก็ไม่แปลกไป ไ, กไม่ไปไหนเพราะว่ามักเรื่องทางมีให้เดินมีศีล ส, สมาธิปัญญาไม่เดินเรื่องขเรื่องเราไม่เริ่มต้นจะมีศีลสมาธิปัญญามาเมีก้าวอะไรขยับขับเคลื่อนต่อกระจายตัวเ อ, เองคนมีศีลมีศีลแล้วมีสมาธิทํามืไหร่ก็ได้นั่งเมืไรก็ไม่ได้เรเป็นแบบนี้แล้วปัญญ า, า, า, าคืออะไรเป็นเราไปไม่ถึงตัวนั้น พอสิ่งนี้ไม่เกิดความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงมันก็ไม่เกิดเมื่อปัญญามันเกิดความรู้สึงมันก็ไม่มีเมื่อปัญญาไม่เกิดแสงสวามันเกิดมันจะทำลายความมืดได้อย่างไงมันก็จะงมืดอยู่เหมือนเดิมมืดคือใจมันมืดมองไม่เห็นว่าในสุดภาตุสันตนาเมื่อจิตวิ่งออกจากร่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะ หมายถึงว่าต้องไปเสวยที่ออกร า, างวัลไปเสวยความพร้อมมันไม่มีแถมยังพร้อมีแต่ความกลัวเราไม่ฝึกเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกขณะทุกวันอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าเราเรานึกอยู่เสมอ ว, ว่าวันนี้ก็มีดีไม่ดีอะไรบนะ้างต้องแต่ลืมตาขึ้นมาจนทำเพราะวเอหน่อยจะมีเวลาแล้ว นี่เวลแล้วแปลว่าเมื่อหลับตาเมื่อไหร่มันหลับเมื่ อ, อไหร่นอนหลับเมื่ อ, อไหร่ควมีความวาชั่วไม่เกิดล้วแตการทพบหนึ่งภูมิมันเหลือแต่ธาตุนี่คือธ า, า, าตุลมดินที่มีอยู่ก็มันจะไปจุดอะไรน้ําที่อยู่ร่างกายก็มันจะไปจุดอะไรไฟที่มีอยู่ก็มันจะไปจอแต่ลมเหล่านั้นที่ปกครองเอาไว้ในธาตุสี่ ต อ, อนั้นไม่เกิดอะไรรวมช่วงระยะเวลาที่อย่างสวา่างคือกลางวันปฏิบัติเราก็ไม่ลงมือทํำอะไรเลยบวมก็ยังไม่เห็นตัวเองเลยทีนี้กลางวันก็ไม่เห็นตัวเองกลางคืนก็ไม่เห็นตัวเอ ง, ง, เองมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเอาอะไรไปแก้ไขปรองพัดธรรมะเพราะมองไม่เห็นตัวเองเลยจิฏฐาก็หลงคือโมหะเลื่อนไป หมดไปวันเดือนปีแล้วการนับเอาหนึ่งปีแล้วแก่แกหนึ่งปีแล้วได้มาหนึ่งปีแล้วได้อะไรก็ไม่รู้เสียอะไรก็ไม่รู้ะะเพราะะฉนั้นจะไปคำนึงถึงเรืองนี้ได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่ช่างนองได้มาได้น้อนไม่เป็นไรแต่ขอให้ความดีบรรจุวความดีไว้เยอะๆโดยเฉาะยุคกลาวันส่วนกลางคืนเนี่ยเราถือว่าถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติอย่างแท้จริงายาก พราถึงเวลากลางคืนมันต้องเพิ่มใยความฝืนธรรมาชาติอีกหลายเท่าตัวที่ต่างจากวันกลาวันเราแค่บอกโอ้ยมีเวลามาเททรีนทําธุระนานมี่นอนก็หมดไปละทุกวันกัางคือมาก็เหนื่อยละาะเราก็จะอยู่ใช้่ใช่อยู่อย่างนี้สุดท้ายกันปฏิบัติการของเราจะหมักกันไปไปไหนมาั้นตลอดฝาผู้เราทุกคนว่าถ้าอยากให้จิตของเราตั้ก้าวหน้า พิจารณาสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันทุกเรื่องที่เรารับเราก็รู้ก็ให้พิจนารณาทุกเรื่องเราจะเข้าใจในความหมายเนื้อผ่านขันอายตนาคืออะไรเมื่อร่างกายอันนี้หมดสภาพแต่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามด้วยการหมดโดยชราหรือค้ำค่าใดก็ตามเมื่อถึงเวลานั้นมัน เวลานั้นมันเราทําอะไรไม่ได้หลายคนเขาบอโอ้แก่แล้วยืนกะลําบากเดินกะลำบากเราจะเห็นไหมเห็นไหมเวลาทําบุญหรือว่จะเห็นทุกอย่างแต่พูดง่ายๆก็คือคนที่มาหาหลวงพ่อคือมาสอนทำคิดว่าเขามาสอนทำคนที่มาสนทนาอยู่ด้วยกันคิดว่าเขามาสอนมีการเรียนรู้ตลอด เราจะเป็นไปการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกเรื่องําพูดกำาจายกายอาการท่าทางเขาก็จะบอกว่าโอ้ลูกไม่ไหวเนืว่าแก่แล้วเขาก็ไม่ดีนั่งกับพื้นก็นไม่ได้จะถาวายของไม่ต้องยืนนั่งกับคนทั่วไปก็ไม่ได้ผมจะกรามลุกแล้วก็ลําบากเราเห็นแล้วไหมเขากาลังบอกธรรมะเราอยู่เขากําลังสอนธรรมะเราอยู่คิดให้เป็นธรรมะเป่ออที่ ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้เรามาคิดเอาเหมือนกับมันไม่ไหวแล้วที่มาบอกโอผมไม่ไหวแล้วผมเดินไม่ไหวแล้วผมนั่งไม่ไหวแล้วในขณะก่อนหน้านั้นที่ยังไหวอยู่คุณไปทําอะไรนี้่ก็กลายเป็นเพราะอ้างไปวันวันมันไม่ได้อะไรดังนั้ น, นตอนนี้เวลานี้เหลืวนี้ก็ถือว่าเราแข็งแรงในระดับหนึ่งหรือไปมาหาสู่กันได้ถือว่าแข็งแรงแล หลายเมื่ยิงสามารถคิดได้โดยตัว เ, เองรู้สติโ ด, ดยปัญญานั่งยืนเดินนอนต้องไหนขอให้มีสติกำกับอยู่เสมอถ้าปราศจากสติเมื่อไหร่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยรา่างกายโดยเมื่อย่างนคือถ้าสติไม่อยู่กับตัวนี่ยิ่งหนักขึ้นไปอีกสติไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเลือกปัจจัยแปรนอกซึ่งเย้ายวนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เรามารู้เชีตัวเราเองคือสภาวะจิตในขณะนั้นเรียกสภาวะธรรมในขณะนั้นเราก็จะไม่เห็นเราก็จะเห็นแต่คนอื่นคนอื่นรู้ไม่หมดแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรคือเร า, ามันไม่เกิดประโยชน์กับตเองแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วพยายาาพัฒนาเพิ่มความถี่ความหนาเพิ่มการพิจารณาให้มากขึ้นโดยข้อที่สอคือ ถ้ามันหยุดคิดไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ลูกคนน้อคิดถ้าคิดเรื่องพุทธเจ้าดีไหมชวนใ้ น, นึกคือพุทธเจ้าวก่อนที่พุทธเจ้าเป็ น, ย, น, นยังไงในขณะที่เป็นพุทธเจ้าเป็นยังไงอย่างนี้จะดีไหมอย่างนั้นเราก็จะมีต้นแบบอ่าถ้าจะคิดเนี่ยก็ต้องคิดอย่างนี้นจึงเป็นที่มาการธรรมาชาติธรรมเย็นต้องการให้เราภานาพุทธทคุณธรรมคุณสังฆคุณใจตาเราเป็นอย่างนี้ให้เราธรรมาชาติธรรมเย็น ก็คือพาลานาพุทธคุณทางปุญญาคุณนี่คือให้เราพูดก็ให้อยู่กับคําพูดที่เป็นวาจา ก, ก็เป็นวาจาที่ดีคือเรากล่าวถึงสิ่งที่ดีการกล่าวถึงพระพุทธเจากการร้าการถึงพระธรรมการถึงพระอริยสงฆ์ที่เราสามารถเนี่ยนะคือเป็นอินสงฆนะ์นะในิสการพาลานาคือเป็นปิยะวาจาวาจาที่ดีเพราะนั้นถ้าจะคิดก็เอาใช้แดงนี้ครับเราคิดถึงว่าเออพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆนะ์เนี่ย เป็นละครที่ดีแล้วทําไมเราไม่เอาตัวอย่างมาดูต้นแบบว่าท่านดียังไงท่านคิดดีท่านพูดดีท่านทำดีแล้วเราทําอย่างท่านได้ไหมกวนหายเออถ้าจะคิดถ้ามาเจุ่งซานก็คิดอย่างนี้เสร็จแล้วจิตใจเราก็จะดีขึ้นจะอ่อนลงอยู่กับสิ่งที่ดีๆแล้วสรุปต่ออีกนิดนึงนะเอาแล้วสินเราอ่ะวันนี้เป็นยังไง มันจะได้ถามตัวเองสินตกบกพร่องไหมถ้าเป็นสินไม่ครบสินด่างสินพลอยก็เหมือนกันนุ่งเสื้อผ้าอาปอนเพราะว่าสินเหมือนกับอาปอนคือเสื้อผ้าอาปอนเรานี่แหละถ้าสินมันไม่ครบมันด่างมันพร้อยก็เหมือนกับเรานุ่งเสื้อหนุ่งผ้านุ่งกระโปรงมันก็ขาดขาดมากขน้อยไปตล้งหนึ่งเปิดช่องเป็นโวแต่มันก็เป็นเสื้อเหมือนกันเป็นเกงเหมือนกัน แต่มันเป็นเสื้อขาดขาดมัเก่งขาดขาดก็ยังดีดีแม่งบบไว้ถือว่าเรายังมีสินอยู่แต่ว่ามันไม่ครบแเรว่างสินต่างสินตัวสินขาดแต่ถ้าไม่มีสินเลยนะโอ้ลันจอนเลยก็ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือลักษนาวันไหนเราไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์เลยไม่มีสินเลยก็คือไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์กลุ่มตัวเองเลยหรือไม่มีค่าไม่มีค่า ร้อนจอนหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนักคิดอย่นี้ก็โอ้สิ่งนี้จำเป็นนะมันจะเป็นต้องมีสิ่งไม่ต้องสมาทานไหมไม่ต้องแค่ปิดวิจาภรษากายภัษ า, าวิจาเป็นสิ่งแล้วเลาจะรู้เออได้ภูมิใจว่าตอนนี้เรามีสิทธ์แล้วนะคือเรามีเสื้อผ้าอภรร์ปกคลุมร่างกายแล้วเป็นอภรรตอย่างดีเป็นเครื่องห่วงเป็นเครื่องห่วอย่างดีนั่นเองสาธิเรามั่นคงไม่วันว่นวายไปตามสัญญาอารรมไหม ก็มากระทบตัวผัสสะเรารู้จักความไมสุขทุกข์เฉยๆเป็นยังไงเราแยกออกไหมว่าสุขทุกข์เฉยๆกับใจแล้วมันต่างกันอย่างไงสุขทุกข์มันก็แค่สิ่งที่มันผ่านใจจิตเราไปถ้าเป็นคนก็เหมือนเมื่อเดินผ่านถ้าสุขเดินผ่านมาก็สุขก็มาในผ่านก็มาในใจทุกข์มาผ่านมาในใจหรือมันก็ มันก็เฉยๆบางคนก็ไม่ได้สนใจแต่เท้าสุขทุกข์กับใจมันเป็นตัวเดียวกันมัาคนละเรืนแต่ตอนนี้เราเป็นโมหาเปิดบังเราไม่เข้าใจว่าการเป็นว่าเป็นเพื่อนกับสุขกับทุกข์คือเป็นเจ้าของซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะใจเราไปยึดเอากับมันไปอยู่กับมันมันจะกลายเป็นสุขเป็นโทุกขเราเริ่มเข้าใจสุขทุกข์ แสดงว่าใจเราไปอยู่กับมันถ้ามาอยู่กับมันก็เป็นเรื่องกับมันมันก็สศกทุกข์มันก็อยู่บนโลกแบบนี้แหละเราไปกรรมมันไว้เราไปยึดมันไว้เราไปถือมันไว้มันกลายเป็นเราเป็นโศกเป็นทุกข์เป็นมาใจมันก็ฉลาดเริ่มดีขึ้นเพราะว่าที่มันทุกข์เนี่ยเพราะว่าทุกข์อยู่ในใจเพราะว่าใจมันไปเอาไปไปอยู่กับทุกข์โศกอยู่ในใจไพราะใจมันโศกถ้าวางมันคือเฉยๆนี่คืออารมณ์กับสมาธิต้งเป็นสมาธิบ้าง คือวางทั้งสุขและทุกข์ได้บ้างไม่ใช่ว่าโดนสุขกับทุกข์เนี่ยกันนำเราตลอดเวลานคนที่ไม่ปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้แต่คนปฏิบัติอย่างน้อยสุขกับเอิญอันนี้มันสุขนะนี่มันทุกข์นะสุขมันเป็นอย่างนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้และตัวที่วางสุขวางทุกข์ได้คือเฉยๆคืออุเบกขาแต่เราไม่ทําคือสมาธิเมื่อสุขทุกข์เขา้ามาไม่มีทางที่ไปทางไหนได้มันติด มันเกาะมันดึงมันรั้งอะไรถ้าจิตไมนอิสระจากไม่ไปคือไม่สุขไม่ทุกข์มันวางคูอปเเกรั์นแหละมันก็ไปต่อจิตมันก็ไปต่อมันก็ไม่ข้างตัวมันมันก็จะไปไกลมันก็จะไปเร็วถ้ามันเบาถ้าจิตมันเบามันก็จะไปเร็วคือทําทรกแล้วจิตมันเบาอยู่แล้วมันไปเร็วอยู่แล้วนั่งทิ้ปุ๊บถึงกรุงเทพนี่คือสภาว่ามันเร็วมันเบา คือธรรมชาติของเขาแต่เราดึงมันเอาไว้ดึงด้วยสุขและทุกข์นั่นแหละเอามันไว้ใหมันไปไหนมันก็ติดมันก็คล้องอยู่แค่นี้ไม่เป็นไม่ ไ, ไหพอเริ่มคิดได้เล้ว็มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นนั้นมีสติปัญญามันเกิดขึ้นแล้วรู้ว่ามันมาอีกครั้งหนึ่งรู้จักละโว้อันนี้จะสุขนะต้องระวังนะแล้วมันจะหลงนะอันนี้จะทุกข์นะอันหนักเกาเก่าอีก ทั้งสองอย่างมันไม่ใช่ของดีเลยมันไม่ใช่ของดีแต่ถ้าเคยวางสิ่ ง, งเหล่านี้ได้ไปกันดีที่สุดแต่เราไม่เคยวางเปเออกไปอย่างนีน้เรากลับไปปรารถนาอยากให้มีโชคนันก็เก่าอีกไม่อยากให้มีทุกข์มันก็ละเรื่องเลยกลายเป็นเราเนี่ยทั้งรับแล้วก็ปฏิเสธตัวของมันเองีความที่เราไม่เข้าใจความจริง ควรจะปฏิเสธทั้งคู่ไม่ควรจะรับเข้ามาเพราะยังไงมันก็ไป็นอิทธิพลป่อใจเรามันก็ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจะไม่มีความรู้จะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นแล้วมันก็จะวางไม่ได้แล้วอื่นๆมันจะต่อไปอยังไงมันก็ต่อไปไม่ได้สุดท้ายเราก็อยู่แค่เนี้ยโดยสภาวะคือไม่สุขก็ทุกข์ก็สุขมากเออพอใจแล้วทุกข์มาก็ลาบากหรือ อ, อาจขัดเคือง ก็คงไม่เข้าใจในสภาวะถ้ารู้กระทุกก็เออก็อย่ไปอยู่กับมันใจข้าใจของเราใจนิสัยถ้าสุขเข้าไปก็เหมือนกันนี่คือว่าสมาธิคือต้องหนักแน่นมั่นคงต้องนิ่งคือไปอยู่กับสิ่งเหลานี้มันก็อยู่กับเราไม่ได้รุ้มันก็อยู่ตามสภาพของเขาอยู่ที่คนใครยึดใครถือใครกรรมใครแบกคนนั้นก็เป็นของคนนั้นถ้าใครไม่ยึดไม่ถือไม่แบกมันจะเป็นของใคร เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจธาตขันธ์ยตะนะเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วแต่สมาธิถ้าปลปล่อยวางในระดับหนึ่งด้วยสติปัญญาเนี่การปฏิบัติทางของเราก็จะเร็วขึ้นดีขึ้นหมายก็ว่ารู้แล้วก็วางเร็ววางสงุวางรู้นั่นแหละวางสิ่งที่เราชอบไม่ชอบนได้เร็วขึ้นแต่ถ้าวางไม่ได้มันก็จะมีอิทธิพลอยู่อย่างนี้ในชีวิตเราจนสุดท้ายก็มันดิบพันดิบพันจนใ้แต่ชีวิตมีอย่างมีชีวิตเราเปิดชีวิตตัวเองเบือ่อ ไม่อยากอยู่เพราะมันทุกข์เหลือเกินเพราะเราไม่เข้าใจก็เป็นรีบไปน่าที่ดแต่ น, นี่เราเกิดมาแล้วกว่าจะเกิดมาเป็นคนเาอุ้มง่ายเลยกว่าจะมาบรเป็นบารมีขอให้ทับเป็นคนนะมันไม่ได้ธรรมานาพีะ น, นั้นก็เรารู้ว่าเรามีโอกาสที่มาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วโดยเบื้ยี่ยับอกผู้ศาสนาเจอปรวาคุบาอาจารย์จุมงาาูคณะเจอกาลยานวิธีจะดีเลย ไปไที่ดีแล้วมาถูกที่มาถูกทางมาถูกทางนีคือทางศีลสมาธิปัญญาดีแล้วขอให้เราเดินต่อคือปฏิบัติปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยคือเดินช้าเดินเร็วกว็แล้วแต่เราเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแต่ว่าอะ่าไปหยุดอยู่เฉยๆไม่เดินไปไหนเลยเราก็ไม่ไปไหนคือจิตเราไม่ได้ก้าวนาไปไหนอยู่ที่เดิมปเป็นเรื่องเยๆอันตร า, ายกำลังกัดทุกครั้งทุกวันก็ ยกจิตเปลือมาพิจารณาอย่างนี้ทุกวันวันหนึ่งเราจะเข้าใจในสาระในสินนน่งเหลนี้การปฏิบัติของเราก็จะได้ผลความก้าวหน้าในชิ้นเอกขงเราสามารถทจะทดสอบทดลองคิดดูด้วยตัวเองได้ เ, เ, าเราไปก็จะปฏิจัติสวบัติแท้จริงคืออันนี้แหละสุดตำราฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งการวินไวแต่เกิดไ็เปนเรื่องหนึ่งแต่เราก็ใจกันแล้วก็คือจบแต่ตอนนี้เรายังไม่จบเพราะว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจ ในระบบหรือกระบวนการสิ่งเหล่านี้เพราะในการปฏิบัติคือภาวนาคือต้องการให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองก็ชื่อว่าภาวนาปแปลว่าทําให้มีทําให้เป็นทำให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้ น, นกว่าเก่าไปไกลกว่าเก่าก็ชื่อว่าภาวนาขอขอให้เร า, รร า, าทั้งหลายภาวนาทุกวันมากน้อยเป็นไรขอให้มีการภาวนาทุกวันเรากระเช้าเป็นผู้เจริญทุกวันนั้น ก็ขอให้เราตลาดเด่คนความสุขคัามเจริญอยู่ทั้งโลกขอให้เจริญแบบโลกอยู่ทั้งทำใก็เจริญแบบทอเราตลาดได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านคิน